มาเรียนธรรมะนะต้องเรียนให้ได้นะเรียนให้รู้เรื่องเราก็ต้องเอาไปทําเอากว่าธรรมะจะปรากฏขึ้นในโลกนี้ยากลําบากนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นสักองค์หนึ่งใช้เวลานา น, านมากเลยที่นับเวลาไม่ท้วนธรรมะทําไมกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดสักองค์หนึ่งนะี่ยากเห็้นแสนเข็นเพราะธรรมะ ง, ง่ายเนยาก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 ส่วนใหญ่สาธุารกิเลสมันดูลาไปหมดนะนี่พวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแล่อย่านึกนะว่ามาอยู่ด้วยกันนี้ดูพวกเราเยอะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะัน<ม>ก็มีระดับหมื่นระดับแสนอะไรอย่างงี้ที่ได้ฟังนะไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีนะแต่หมายถึงว่าเวอร์ชันที่หลวงพ่อสแสดงนะมีระดับระดับหมื่นระดับแสนเท่านั้น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 งั้นเราคอยรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าลืมเนื้อลืมตัวจะทำสมถะนะก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลต้องอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยนะแล้วเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขความสงบงั้นเราสบายใจอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนที่เป็นกุศลเราก็อยู่อารมณ์นั้นบ่อยๆมีสติอยู่กบอารมณ์ันนั้นไม่ใช่ขาดสติเคลิ้มอยู่ในอารมณ์นั้น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 เหแต่ใจอันเดียวสงบอย่างนั้นไม่ขาดสติเนี่ยเราต้องไม่ขาดสตินะขาดสติจิตเป็นอกุศลเลยนั้นทาสมถะก็ทําด้วยความมีสตนะิต่อไปเราก็มาเดิน น, นิพพานาหลวงพ่อทำํำวิพพานาไม่เป็นนีม่มีครูบาอาจารย์ฝึกสมถะตั้งแต่เจดขวบนะจนอายุยี่สิบเก้าฝึกสมถะอยู่ยี่สิบสองปีเต็มๆเลยทําทุกวันไม่เลิกเล ย, เลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนหายใจไปเรื่อย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 และสติสำคัญมากนะทำสมาธิเขาต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็คือจิตเป็นอกุศลละเป็นมิจฉาสมาธิเคลิมเคล ม, คลมฝันฝัน่ใช้ไม่ได้จริงหรอกในล้างกิเลสหรอกนิ่พจิตเป็นสมาธิแล้วไนดะ้แต่สมาธิยี่สิบสองปีมาถึงปีสองห้าสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าหกกุมพาเพ่งได้กลับลงปุดุลที่ไคกลับลงปุดุลเพราะไปอ่านหนังสือ